พ ร, ประปเจ ก, กพุทธเจ้ามีอุบัติตั้งแต่พ ร, ประปเจ ก, กพุทธเจ้าทั้งหลายนั่งบนอาสนะปูแล้วพื้นระเบียงเช่นกับอุบัติในจตุทิศคาถาก็แปลว่าพระพระประเจ ก, กพุทธเจ้าองค์นี้เนี่ยอดีตพระองค์ก็เป็นพระราชาที่กลางคืนเนี่ยสะดุ้งอยู่สามครั้งเสร็จแล้วก็ก็บอกว่าพระราชาพระองค์นั้นสะดุ้งในราตรีถึงสามครั้งฉันใดพระราชาพระองค์นี้เป็นฉันนั้นหาไม่ ทั้งยันก็ไม่ปรากฏแก่พระองค์เท้าเธอเนิมยมนพระประเจกกับพุทธเจ้าทั้งหลายมานั่ง น, นะก็คือสะดุ้งนะนะสะดุ้งเหมือนกันแต่แต่ว่าพระาชาองค์นี้อ่ะเนี่มนพระประเจกมาไม่ได้ไปปรึกษาปุโรหิตชั่วอย่างนั้นหรอกพอพระองค์เนี่ยนะนี่ยมนพระประเจกกับพุทธเจ้ามานั่งบนอาสนะที่ปูไว้ที่พื้นระเบียงก็ตรัสถาวมว่าพวกท่านชื่ออะไร พระปเจก็บอกว่ามหาบาพิษนะนะพวกอาตมาชื่อว่าผู้บริโภคโภชนะไม่มีโทษบริโภคแบบไม่มีโทษเลยบริโภคอะไรก็ไม่มีโทษพระราชาก็าบอกข้าแต่ท่านผู้เจริญคําว่าผู้บริโภคโภชนะบริโภคอาหารไม่มีโทษนี้มันมีประโยชน์อย่างไรมันดียังไงอ่ะนะดียังไงถ้าบริโภคอาหารไม่มีโทษ พระปเจก็บอกว่าพวกอาตมาได้สิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็ไม่มีอาการผิดแปลกแปลว่าไม่ผิดปกติในอาหารทั้งดีและไม่ดีอาหารดีไม่ดีมันเท่ากันพระราชาพอฟังอย่างนั้นก็เลยคิดว่าเอาเถอะเนี่ยนะเราจะพิจารณาสมณะเหล่านี้เป็นเช่นนี้หรือไม่นะดีอย่างที่โฆษณาคุยหรือเปล่าว่างกันว่าได้อาหารดีไม่ดีมันเท่ากันหมดไม่ทําใจให้ผิดปกติในอาหารดีและไม่ดี จะลองดูสิพระองค์ก็เลยอังคาดด้วยข้าวปลายเกลียนกับน้ำส้มผักดองก็แปลว่าเอาเข้าวหักหักมาต้มกับน้ำผักดองเรนะพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็บริโภคฉันโดยที่ไม่แสดงอาการผิดปกติเหมือนบริโภคอมะตะเนี่ยนะก็ท่านก็ฉันไปอย่างนั้นเพื่อให้กายดำรงอยู่ได้แต่ใจท่านเจริญสมถาวิปัสนาเข้าพระสมาบัตินู่นเนี่ยนะมานไม่ได้มานั่งผวองวาวะอะไรกับดินน้าไฟลงอะไรหรอก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 พระราชาก็เลยคิดว่าวัดนี้เราจะถวายสิ่งที่ดีกว่าทดลองดูสิเอาให้มันดีๆกว่านี้อีกก็เลยนิมนต์ทำศักการะใหญ่ตลอดวันสองวันด้วยอังค่าขาชินิยะโภชนิยะอันประนีตหาอาหารของแต่ละอย่างดีๆทั้งนั้นเลยพระประเจกับพุทธเจ้าเหล่านั้นก็บริโภคไม่แสดงอาการผิดแปลกเหมือนเดิมก็พอฉันเจ็จก็กล่าวมงคลถวายพระราชาแล้วก็เลียกไปขอให้ประสบมงคลนะ น, นะ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 ปกติให้ความสําคัญอร่อยนิดอร่อยหน่อยผิดลิ้น น, นิดนิดหน่อยๆอะไรก็ไม่ไม่ปกติเนี่ยนะเป็นผู้ที่ผิดปกติกับอาหารโดยตลอดก็เลยเนี่ยบอกโอ้พระปจเจกท่านดีเหลือเกินอะไรเก็เลยสละราชสมบัติเป็นอันมากสมาทานบรรประชาปราบรอบวิปัสนาบรรลุเป็นพระปจเจกพระพุทธเจ้าเรื่องชันชันเนี่ยก็บรรลุได้เหมือนกันนะเรื่องกินกเนี่ยนะแม้สั่งสมบูรณ์มาดีเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอาหารเรื่องอยู่ๆกินกินก็บรรลุได้หมด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 คือหมายก็ว่าสหายเช่นนี้ถ้าได้ก็ดีอย่าสิแต่ถ้าไม่ได้ล่ะถ้าหาเพื่อนอย่างนี้ไม่ได้พึงเว้นจากมิจฉาชีพมีการหลอกลวงเป็นต้นอันนเว้นจากมิจฉาชีพมิจฉาทุจริตที่จะได้อาหารมาอ น, นะบริโภคโภชนะที่เกิดโดยธรรมและโดยสม่ำเสมอไม่ให้ปฏิคานุสัยในโภชนะที่ไม่ดีเกิดขึ้นเป็นผู้บริโภคโภชนะไม่มีโทษ เที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดนอแรกฉะนั้นน่นะก็อาศัยอาหารก็บรรลุได้เนาะขาบอกว่ามาดูคำว่าบริโภคโพชนะมีโทษไม่มีโทษในคัา้าวิสาวิสานะสุดต่างนิเทศที่บอกว่า คำว่าควรเสพแต่สหายที่ประเสริฐกว่าหรือที่เสมอกันความว่าสหายทั้งหลายผู้ประเสริฐกว่าด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะสหายทั้งหลายผู้เสมอกันด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะควรเสพคือควรคบควรนั่งใกล้ควรไต่ถามควรสอบถามสหายที่ประเสริฐกว่าหรือสหายที่เสมอกันเท่านั้น เมื่อไม่ได้สหายเหล่านั้นก็ควรบริโภคปัจจัยอันไม่มีโทษ น, นะอธิบายว่าผู้บริโภคปัจจัยแบบมีโทษก็มีผู้บริโภคปัจจัยอันไม่มีโทษก็มีเป็นอย่างไร <c oughs> ก็บุคคลผู้บริโภคปัจจัยอันมีโทษเป็นไง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 หรือว่าเล่นกลแล้วได้อาหารมาหรือว่าสแสวงหาลาบด้วยลาบวันนี้เราได้นี่เราก็ให้ก่อนเนี่ยวันหลังเขามีเขาจะให้เราบ้างเรอเอาลาบต่อลาบเพงั้นนะเราพูดแบบภาษาชาวบ้านเขาฟังดูดีนะพี่บ้านเหนือน้นองบ้านใต้ก็แบ่งอาหารทานกันไปแต่ถ้าพระทำอย่งงางนั้นก็โยมไม่ดีนะก็เรียกว่าหาสแสวงหาลาบด้วยลาบถ้าเรามีนี้เราก็ให้นั้นไปเขาวันหลังเขามีอย่างอื่นหรือมีดีกว่าเขาจะได้ให้เราคืนบ้างนะ น, นะ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 บางทีก็แกล้งพูดอยากให้บ้านโน้นก็ทําบุญก็แกล้งไปพูดอีกบ้านหนึ่งว่าไอ้บ้านนั้นเนี่ยมันไม่ทําบุญอะไรเลยมันอย่างนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าพูดแบบอะไรนะพูดเสาะเสียดนะพูดกระเทือนกระเทือนไปเดี๋ยวเขาก็ทําบุญเองแหละก็เรียกว่าพูดอะไรแบบเล่นสนุกอ่ะกระทบอีกที่หนึ่งแล้วมันจะพชนอีกที่หนึ่งแล้วมันก็เสร็จเราใช่ไหมก็เรียกว่าเข้าเข้าทางเราเลยแบานั้นก็เรียกว่าพูดพูดว่ากินหลังผู้อื่นแบบนั้นบางทีก็ด้วยวิชาเรียนวิชาดูพื้นที่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 ไม่ใช่ได้อาหารมาเพราะพูดเลีวไหลเหมือนแกงถัว่วแปลว่าพูดจริงพูดเท็จผสมผสมกันนะ่ะแกงถั่วแบบสุก ส, สดิบๆใช่ไหมมีต้มถั่วนี่มันมีสุกบั่งมีดิบมัง่งอันนี้พูดจริงมัง่งเท็จมัง่งปลอมมั่งก็พูดไปเดี๋ยวก็ได้ฉันเองแหละเข้ากันก็ไม่พูดประจบเขาได้มาไม่ใช่ว่าได้มาด้วยการขอมากหรือว่าพูดแบบอะไรนะพูดกินเนื้อหลังคนอื่นไม่ใช่ว่าพูดชิ่งมาได้มาไม่ใช่ดูด้วยวิชาดูพื้นที่ไม่ใช่ได้มาด้วยเดราชานวิชา ไม่ใช่ได้มาด้วยวิชาทานายอวัยวะดูเริกเดินทูดรับใช้เดินสารเรือเวชกรรมเป็นหมอยาให้เขาเนี่ยนะไม่ใช่ด้วยทูตกรรมเป็นทูดให้เขาไม่ใช่ได้อาหารเพราะได้บินทบาทตอบแก่บินทบาทไม่ใช่การเพิ่มให้แก่การให้แปลว่าได้อาหารมาโดยทอบโดยทาสม่าเสมอได้แล้วก็สำเร็จอยู่อย่างนี้แหละ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 ผิวพรรณอะนะงดงามะนะวันนาทาสีก็แปล ว, ว่าสาวใช้คนสวยว่างนะั้นแต่ก็กาลังบทจันเหลืองอยู่แขนข้างหนึ่งของนางมีกําไรทองวงเดียวอีกสองอีกข้างหนึ่งเนี่ยนะนะกไรทองอีกข้างหนึ่งมีกําไรทองสองวงมันมีอยู่กาไรใช่ไหมมีกําไรสามอันอะข้างแขนขวามีสองอันแขนซ้ายมีอันเดียวเนี่ยนะก็บทจันเหลือง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 ทีนี้สมัยนั้นพระเทวีผู้ประดับประดาด้วยเครื่องอลังการพร้อมศักด์ประทับยืนถวายงานพัดอยู่พระนางก็คิดว่าพระราชาช่ร้อยจะมีพระไทยปฏิพัฒน์ในนางวันณธาสีแน่ดูสิสงสัยจะหลงรักนางสาทีแล้วอ่ะนะบอกก็เลยให้นางทาสีนี่ลุกไปพระองค์ก็เลยปราลบเพื่อจะบทเองอ่ะนะเดี๋ยวไปบทจันเหลืองให้พระราชาดูก็ได้อย่างนกันอ่ะนะทีนี้ในแขนทั้งสองของพระนางมีกําไลทองหลายวง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 กองแกงแกอเอ้าคนมากที่ไหนมันก็เป็นอย่างนี้นะ้ยเรื่งรกระแสเสียงนกเสียงกามันก็จอกแย๊กอย่างนั้นแหละพระเทวีนี่ก็ถือจันทร์เสด็จเข้าไปเฝ้าพระราชาพระองค์นั้นที่บรรทมเป็นสุขสุขอย่างยอดเยี่ยมนะนะที่จริงพระพัพปเจกพรพุทธเจ้านั่นแนหะเข้าวิมุติสุขอรหัตผลแล้วพระเทวีก็ทูลว่ามหาราชหม่อมชั้นจกักไล้ทาเดี๋ยวจะมาทาแป้งถวายว่างั้นพระราชาก็บอกออกไปอยาา่าไล้ทาบอกออกไป ข่านก็ทูลว่าอะไรกันนี่มหาราชพระราชาก็บอกเราไม่ใช่พระราชาอมัฏทั้งหลายพอได้ฟังการสนทนาของพระราชากับพระเทวีก็เลยเข้ามาเฝ้าพระราชาผู้พระราชาที่อมัฏ ถ, ถามว่ามหาราชก็บอกว่าพระนายท่านทั้งหลายเราไม่ใช่พระราช า, าและท่านเป็นอะไรเป็นพระปัจเจกแล้วก็ในที่สุดก็แสดงตนว่าเป็นพระปัจเจก